ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมะกันอีกแล้วข้าพเจ้า เอ่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ข่าวสารบ้านเมืองเอ่อขายของอะไรต่างๆมีหมดเลยแล้วก็มีการธรรมะด้วยนั่นเป็นความมหัศจรรย์ตรงที่ว่า เนี่ยคือความเอ่อน่าอัศจรรย์นั้นหนึ่งในหลายๆอย่างในธรรมวินัยนี้ลองคิดดูสิแม้ ทีนี้ไอ้ธรรมะที่เรามาฟังรู้ดูไคลครวนอยู่เนี่ยเอ่อ ร่างกายทำอย่างหนึ่งใจทำอีกอย่างหนึ่งบางคนเอ่อละเมอใน มันไม่เกี่ยวข้องนั่นคือหมายความว่ายังมีความสุขอยู่ได้ถึงเวลามันต้องแตกต้องดับนะมันถึงเวลา 80 ปี 90 ปีมันก็ต้องไปนะเอแล้วใจของเรามันจะเป็นยังไงดีนั้นใจของเราตอนนั้นเนี่ยถ้ายังมี เราจริงต้องเตรียมตัวก่อนนะๆคือไอ้ความผัดเราเรเรา 5 ช่องมีตามีหู มีจมูกมีลิ้นมีกายหน้าตานี้เช่นอะไรบ้างเช่นเราเห็น นาพรรพาคลื่นเข้ามานําเข้ามานําเข้าสู่เอ่อแก้วหูของเรานั้นมีการสั่นสะเทือนปรับกระดูกทั้งท่อนโคนผันเจลลี่ตรงนั้นมานําเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าใส่เข้าไปในหูของเราจิตเราก็เป็นรับ ที่รับรู้ตรงนั้นนะที่เราเข้าไปรับรู้ตรงนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่จิตอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่ตา นะมันเหมือนกล้องถ่ายภาพมันไม่เข้าไปรับรู้ว่าอันนี้ มันก็จะมาเลยในลักษณะว่าเป็นปัจฉา 3-4 ครั้งเราไม่ได้ยินแล้วเสียงมีมั้ยมีหูมีมั้ยมีทําไมไม่ได้ยิน 3 ครอย่างมันต้องประกอบกัน ปฏิจิกาไปรับรู้นั้นนั่นคือรถคือลิ้นคือจิตที่เข้าไปรับรู้นั่นคือสัมผัส เพราะฉะนั้นสังขารวิญญาณนี่คือการรับรู้นะรับรู้ทางก็รับรู้ทางอายตนะนั่นเองนะเรา 2 อย่าง นั่นคือธาตุสีดินน้ำ 2 คือวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงการรับรู้วิญญาณเรื่อง ในแต่วิญญาณที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเหมือนกันสะกดเหมือนกันแต่ว่าไม่คนละอย่างนะวันนี้ให้เข้าใจไว้ด้วยว่าวิญญาณถึงคือการรับรู้ไหนพอวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นละอย 3 อย่าง คือสัญญาสัญญานี่คือความหมายรู้ per per perception perception คือความหมายรู้อย่างเช่นว่ากายเราสัมผัสอะไรได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งวุบๆขึ้น perception มีสัญญา ในขณะที่อีกคนนึงอยู่ในห้องอุณหภูมิเดียวกันเท่าสบายในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า perception เนี่ยมันก็ อีกคนนึงบอกว่าอากาศร้อนเพราะเย็นอันนี้ไม่ใช่ความ นะคือในภาษาไทยเนี่ยเราจะบอกเรารู้สึกร้อนรู้ นะมึนๆๆอยู่ในหัวเราก็เลยความหมายรู้สัมผัสเกิดขึ้นปึ๊บสัก 1 นะ, นะ, นะนะครั้งนึง มันมีขั้นตอนต่อไปนั่นคือเวทนาว่าเช่นคุณบอกกําลังๆนี่ชอบนะบาง แต่ความหมายรู้ที่ไม่เหมือนกันที่ๆมาไม่เหมือนกันแต่แต่ไม่ความหมายรู้เนี่ยมัน นะการปวดแล้วบางทีบางคนชอบเจ็บๆชอบปวดๆในคือภาษาไทยมันค่อนข้างจะจะกำกวม แล้วมันมันรับรู้คือวิญญาณให้สับสนตรงนี้นะแต่ภาษาบาลีเนี่ยชัด เอาหมายรู้สัญญาภาษาบาลีว่านะระลึกรู้อ้าวสติมีความรับรู้อันนี้คือวิญญาณนะแล้วความรู้สึกล่ะ กายเข้าใจใจของเราได้นั่นคือเข้าใจกระบวนการการทํางานในใจในกายความว่า เนิ่นค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงไปความทุกข์ลดละน้อยเพิ่มแน่นอนความสุขต้อง